ในคราวที่แล้วเราก็ฟังกันมาถึงตอนที่พระเรวตะและลีลาวดีได้อ่านจดหมายที่สวัฒนกุมารปลอมขึ้นนะคะฝ่ายพระเรวตะนั้นพอที่อ่านจดหมายก็มีความโกรธแค้นลีลาวดีและสวัฒนกุมารเป็นอันมากจึงคิดถึงขนาดว่าจะลาศิกขาเพื่อจะไปฆ่าลีลาวดีและสวัฒนกุมารแต่ว่าพระเรวตตะยังมีบุญอยู่มากทีเดียว เพราะว่าคาพูดของเพื่อนสมณะก็ได้ผุดขึ้นมาเตือนสติไว้ไทันนะคะพระเรวตะก็เลยไม่ได้กระทำบาปอีกและพระเรวตะก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเว้นขาดจากสตรีไม่ขอเกี่ยวข้องอีกตลอดชีวิตจากนั้นพระเรวตตะก็ได้เดินทางจากกรุงสาวัตถีไปโดยไม่มีจุดหมายเพื่อจะลืมลีลาวดี เราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะจากนี้ไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันต่อไปค่ะขณะที่ท่องเที่ยวไปข้าพเจ้าก็สั่งสอนประชาชนไปด้วยการสั่งสอนผู้อื่นก็คือการสั่งสอนตนเอง ใจิตใจของข้าพเจ้าดีขึ้นทุกวันทุกวันวันที่ผ่านไปเมื่อพบหมู่บ้านข้าพเจ้าก็าหยุดพักในป่าใกล้ๆหมู่บ้านนั้นตื่นเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านได้อาหารพอเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็กลับออกมาฉันหน้าที่พักถ้ามีชาวบ้านตามออกมาสนทนาด้วยข้าพเจ้าก็สนทนากับเขาสั่งสอนเขาในหลักธรรมของพระบรมศาสดา ถ้าชาวบ้านนิมนต์ให้พักอยู่หลายวันและถ้าได้รับความสะดวกสบายก็พักอยู่นานแต่ไม่เคยพักอยู่ที่ใดเกินกว่าห้าวันเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องยุ่งไม่มีที่สิ้นสุดถ้าข้าพเจ้าพักอยู่อยู่นานกว่านั้นข้าพเจ้าก็จะพลอยยุ่งไปกับเขาด้วยเพื่อหนีให้พ้นจากความยุ่งข้าพเจ้าจึงได้เดินทางต่อไปสิ่งหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าต้องต่อสู้ตลอดระยะทางก็คือลัทธิความเชื่อถือของประชาชนในถิ่นต่างๆบางอย่างก็เป็นความเชื่อเก่าๆที่ไร้เหตุผลและฝังหัวของชาวบ้านมาเป็นเวลาหลายร้อยปีกว่าข้าพเจ้าจะชี้แจงเหตุผลให้เข้าใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็เหน็ดเหนื่อยไปไม่แค่น้อยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคา ในเขตมคตข้าพเจ้าไปถึงหมู่บ้านนี้ในบ่ายวันหนึ่งพอได้ทราบว่ามีสมณะแปลกหน้ามาพักอยู่ใกล้หมู่บ้านชาวบ้านพร้อมด้วยนายบ้านเจ้าปัญญาก็ออกไปสนทนากับข้าพเจ้า ท, าทันทีเมื่อไต่ถามทุกสุขกันพอเป็นธรรมเนียมแล้วการสนทนาลัทธิความเชื่อก็เริ่มขึ้นดูก่อนอุบาสกท่านทั้งหลายนับถืออะไรเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าลมถามในบ้านซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้แทนชาวบ้านก็ได้ตอบว่าพวกข้าพเจ้านับถือมุนีทั้งเจ็ดเป็นที่พึ่งก็มุนีทั้งเจ็ดที่ท่านว่านั้นคือใครอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าถามชาวบ้านก็ตอบว่ามุนีทั้งเจ็ดก็คือกัสยปะอัตตีภารัวาชะโคตมะวิศวามิตราชมาทคณิ วาสิทธะมุนีทั้งเจ็ดนี้เกิดก่อนพระเวสสีอิทเวลานี้อยู่บนสวรรค์ในคืนเดือนมืดที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งพระท่านมองขึ้นไปบนฟ้าจะพบดาวทั้งเจ็ดดวงที่เรียงรายกันอยู่มีรูปร่างคล้ายหมีนั่นแหละคือมุนีทั้งเจ็ดของพวกข้าพเจ้าละก็แล้วมุนีทั้งเจ็ดเป็นที่พึ่งแก่ท่านได้อย่างไรชาวบ้านก็ตอบว่ามุนีทั้งเจ็ ลงมาสำรวจโรคเป็นครั้งลราวถ้าผู้ใดมีความพักดีในท่านอย่างมั่นคงตั้งใจกราบไหว้บูชาท่านโดยเคารพท่านก็ดนบันดาลให้ท่านผู้นั้นมีความสุขประสบโชคลาภเมื่อตายแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ว่าแล้วในบ้านก็ยกมือขึ้นไหว้เทพเจ้าของเขาแล้วกล่าวนามูดีทั้งเจ็ดอย่างคล่องแคล่วแสดงให้เห็นถึงความพักดีอันมั่นคงของเขา ถ้าข้าพเจ้าจะชี้เหตุผลหักล้างความเชื่อถือของพวกเขาในขณะนั้นเขาคงจะโกรธข้าพเจ้าแน่ข้าพเจ้าจึงนิ่งเสียดูก่อนท่านสมณะท่านนับถืออะไรเป็นที่พึ่งหรือในบ้านถามข้าพเจ้าบ้างอัตมาไม่ได้นับถืออะไรเป็นที่พึ่งไม่นับถือใครเป็นที่พึ่งอัตมาพึ่งตนเองพระบรมครูของอัตมาสอนไว้ว่า อตตาหิอตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรอสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งได้อัตมาเชื่อคําสอนของพระบรมครูจึงถือตนเองเป็นที่พึ่งนายบ้านทําท่าชงด์ต่อคําพูดของข้าพเจ้าแล้วกล่าวขึ้นว่าก็ท่านเป็นมนุษย์ไม่มีอํานาจปฏิหารอะไรไม่มีฤทธิ์เดชอะไร จะพึ่งตนเองได้อย่างไรก็อาตมาไม่มีฤทธิดเดชอะไรนี่แหละจึงต้องคิดพึ่งตนเองถ้าอาตมามีอิทธิฤทธิ์อย่างมุรีทั้งเจ็อาตมาก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งตัวเองเวลานี้อาตมาเปรียบเสมือนบุรุษที่ลอยอยู่บนท้องทะเลหลวงเพราะเรืออับปางอาตมาต้องอาศัยมือเท้าและกําลังของตัวเองว่ายน้ําไปจนกว่าจะถึงฝั่งอาตมาต้องต่อสู้กับคลื่น และฉลามร้ายด้วยตัวเองไม่มีใครมาห้ามลุกคลื่นไว้ได้ไม่มีใครมาจับปลาฉลามผูกไว้และก็ไม่มีใครมาจับมือจับเท้าของอาตมาให้ว่ายน้ำอาตมาต้องทำเองทุกอย่างโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่แหละคือท้องทะเลหลวงเราเกิดมาในโลกเท่ากับตกลงไปลอยคออยู่ในทะเลหลวงเราต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตของเรา ให้คงอยู่เราต้องหาที่อยู่อาศัยมาป้องกันแดดฝนลมเราต้องหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเราต้องหายามารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดนำมามอบให้เราเปล่าๆทั้งที่สแสวงหาตัวเป็นเกลียวยังไม่ค่อยจะได้สมปรารถนาเลยฉหลามล้ายและลูกคลื่นในทะเลก็คือความยากลำบากทั้งหลาย ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเราเป็นครั้งคราวเช่นการเจ็บป่วยน้ำหลากมาท่วมข้าวในนาเกิดโรคระบาดจนผู้ร้ายป้นสะดมไฟไม่บ้านอุปสรรคเหล่านี้ต้องต่อสู้ช่วยตัวเองก่อนอื่นจะวิงวอนให้เทวดาที่ไหนมาช่วยได้ถึงตอนนี้ชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้กล่าวขึ้นว่าสําหรับวัตถุภายนอกเราหาเอง ข้อนี้เป็นความจริงแต่สำหรับความสุขภายในใจนั้นเราไม่อาจจะหาได้ความสุขเป็นพรพิเศษที่มูนีทั้งเจ็ดประทานให้แก่ผู้จงรักภักดีในท่านดูก่อนอุบาสกความสุขมีอยู่สองอย่างคือสุขอันอิงอาศัยวัตถุได้แก่ความสุขที่เกิดจากการมีอาหารบริโภคเพียงพอมีเคหสถานอยู่อย่างสบายมีเสื้อผ้าและเครื่องประดับกาย เพียงพอมียาสำหรับให้ความอบอุ่นใจนี้หนึ่งความสุขไม่อิงอาศัยวัตถุได้แก่ความสุขอันเกิดจากการเสียสละสิ่งทั้งปวงออกไปบวชเป็นบนรรพชิตอยู่ในป่าอันสงัดเงียบทำความเพียรขจัดกิเลส ต, ต่างๆออกไปกจิตใจนี้หนึ่งที่ท่านกล่าวว่ามูนีทั้งเจ็ดให้ความสุขชนิดไหนชาวบ้านคนนั้น ทำท่าลังเลนิดหน่อยแล้วก็ตอบข้าพเจ้าว่าก็หมายถึงความสุขทั้งสองอย่างอ๋อหมายความว่าความสุขมุลีทั้งเจ็เป็นผู้มอบให้ท่านอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าถามย้ำอีกทีเมื่อเขาตอบรับข้าพเจ้าจึงได้สาธยายต่อไปว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าความสุขชนิดแรกเกิดจากทรัพย์ เมื่อซับเพียงพอสุขชนิดนี้ก็เกิดมีขึ้นท่านยอมรับแล้วว่ารั์ทั้งหลายที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ท่านต้องหาเอาเองจึงได้มาไม่มีเทพเจ้าองค์ใดหยิบยื่นให้เมื่อท่านหาซั์เองได้ความสุขเองเช่นนี้จะว่ามุนีทั้งเจ็ดเป็นผู้ให้จะชอบด้วยเหตุผ ล, ลหรือหรือคำถามของข้าพเจ้าทำให้ชาวบ้านทุกคนนิ่งอันไป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 จะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะการชำระของท่านเองท่านขัด ส, สีซักฟอกจิตใจของท่านเองเมื่อมือของท่านเปื้อนสิ่งโสโครกท่านต้องใช้น้ําล้างมือจึงจะสะอาดถึงท่านจะทําการบูชาต่อเทพเจ้าวิงวอนให้มือของท่านสะอาดสักเท่าใดมือของท่านก็หาสะอาดไม่สิ่งโสโครกจะไม่บินออกไปจากมือของท่านเองเป็นอันขาด เมื่อข้าพเจ้าชี้แจงต่อไปอีกชาวบ้านก็เกิดความเลื่มใสต่างพากันมอบตัวเป็นสิทธิของข้าพเจ้าดูก่อนอุบาสกไกลจากที่นี่ไปทางทิศตวันตกมีเมืองเมืองหนึ่งนามว่าสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของโกศลรัฐที่เมือง น, นั้นสมเด็จพระบรมครูศา ส, สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ พระองค์เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอัตมาเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านทั้งหลายจงตั้งใจระลึกถึงพระองค์ยึดเอาพระองค์เป็นหลักใจและปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เถิดแล้วท่านทั้งหลายจะประสบสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติของตน จากนั้นก็ได้ชี้แจงแนวทางดําเนินชีวิตตามแบบพระพุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจแก่เขาแล้วเตือนว่าอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องทําเองท่านต้องเดินทางเองจึงจะถึงจุดหมายปลายทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งอัตมาเองและคนอื่นเป็นผู้คอยบอกทางให้เท่านั้นเข้าไปเจ้าพักอยู่ที่นั่นหวัน ตามคำนิมนต์ของชาวบ้านแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อไปคราวหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปถึงหมู่บ้านชื่อกันนิกคามในแคว้นมคตประชาชนในหมู่บ้านนี้เคารพนับถือพระอาทิตย์เป็นสรณะและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของมนบทหนึ่งซึ่งเรียกว่าขยาตรีเขาเชื่อว่ามนบทขยาตรีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากแม้นเทวดา เมื่อได้ยิน ม, มนต์บทนี้อย่างตัวสั่นคนวัรณะพร้าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิสาธยายมนต์นี้และจะต้องสาธยายด้วยเสียงเบาๆไม่ให้คนวันนาสูดได้ยินเป็นอันขาดแม้แต่ภรรยาในระหว่างมีฤดูก็ไม่ให้ได้ยินพอข้าพเจ้าไปถึงเขาก็มาเล่าความศักดิ์สิทธิ์ของขยาตรีให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อข้าพเจ้าขอร้องให้เขาสาธยายให้ฟัง ก็สอบถามถึงวันณะของข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ถ้าข้าพเจ้าบอกเขาตามตรงว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กจันทันก็คงจะไม่มีโอกาสได้รับฟังขยัตรีของเขาจึงบอกเขาว่าเป็นบรณประชิตเขาเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์จึงสาธยายบนขยัตรีให้ฟังต่อไปนี้พวกเราจุงน้อมนมัสการซึ่งหลังสีอันสูงส่งของพระสุริยเทพ ผู้เป็นใหญ่เหนือสรรพสิ่งผู้อาจนำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจผู้เป็นประดุจดวงตาแห่งบนเพดานแห่งสวรรค์ดังนี้เมื่อได้ฟังมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านแล้วข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าถ้อยคำเพียงเท่านั้นจะทำให้พวกเทวดากลัวได้อย่างไรก็ได้แต่นั่งนิ่งไว้ไม่ได้ขัดขอเขาชาวบ้านคนหนึ่งได้ถามข้าพเจ้าขึ้นว่า ท่านมีมนสำหรับป้องกันตัวบ้างไหมถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะสอนให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวไปคนเดียวมีภัยอยู่รอบด้านถ้าไม่มีมนป้องกันตัวก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยข้าพเจ้าตอบชาวบ้านไปว่ามีตอบพลางนึกขำในความหวังดีของเขาจึงได้พูดกับชาวบ้านต่อว่าถ้าท่านอยากจะฟังอาตมาจะสาธยายให้ฟัง เมื่อเห็นพวกชาวบ้านแสดงความกระหายอยากจะฟังข้าพเจ้าจึงยกเอาโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นสาธยายสัพพปาปัสะอาการณังไม่ทำความชั่วทุกชนิดกุสลสูปะสังพทาทำความดีทั้งปวงสจิตตะปริโยตปนังชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่แหละ มนของอัตมาผู้ใดปฏิบัติได้ตามนี้ผู้นั้นจะมีความสุขทุกเมื่อข้าพเจ้าได้บรรยายความศักดิ์สิทธิ์ของมนให้พวกชาวบ้านฟังจนทุกคนเกิดความเชื่อและอยากจะเรียนเอาไว้ป้องกันตัวมีชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นว่ามนนี้มีวิธีรักษาอย่างไรบ้างข้าพเจ้าก็ตอบว่ามีวิธีรักษาดังนี้ก่อนที่ท่านจะคิดอะไร จะพูดอะไรขอให้คิดดูให้รอบคอบสิก่อนว่าการทําการพูดของท่านจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นหรือไม่ถ้าเห็นว่าจะก่อความทุกข์ก็อย่าพูดอย่าคิดอย่าทําสิ่งนั้นเป็นอันขาดถ้าเห็นว่าการพูดการทําหรือการคิดนั้นก่อความสุขสงบแก่ตนและคนอื่นไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จงทําเถิด ถ้ารักษาได้ดังนี้มณฑลของท่านจะแขังถ้ารักษาไม่ได้มนฑลของท่านก็จะเสื่อมอัตมาเดินทางมาคนเดียวโดยไม่มีอาวุธใดๆติดตัวมาเลยได้เผชิญกับสัตว์ร้ายปีศาจร้ายและโจรผู้ร้ายมากมายแต่มนบทนี้ก็ยังช่วยคุ้มครองให้อัตมาปลอดภัยตลอดมาข้อห้ามอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มี ท่านสาธยายด้วยเสียงอันดังเท่าไรก็ได้จะบอกใครๆต่อไปอีกก็ได้ยิ่งบอกคนอื่นได้มากเท่าไรมนของท่านก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นเมื่อข้าพเจ้าได้ให้มนแก่เชาบ้านกันนิกกามแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางต่อไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุบ่ายวันหนึ่งขณะที่กําลังเดินอยู่ในกลางป่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากในป่าจึงหยุดฟังด้วยความตั้งใจเสียงนั้นเป็นเสียงของสตรีดังมาอย่างหโอยหวนจากป่าข้างๆทางทําให้ความเมตตา ก, กรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าทันทีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีความกรุณาสงสารต่อผู้อื่นและหาทางช่วยเหลือ เมื่อพอรที่จะช่วยเหลือได้คิดถึงพระพุทธพจน์ข้อนี้แล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเดินบุก ป, ป่าตงรงไปยังเสียงนั้นภาพที่อยู่ข้างหน้าก็คือยิงแก่คนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้คล่่าครวญอยู่ข้างๆกองไฟใหญ่ข้าพเจ้าคาดคะเนเอาได้ทันทีว่านางกำลังร้องไห้คล่่งครวญถึงคนรักคนใดคนหนึ่งที่ตายลงไป ในเวลานี้กําลังถูกไฟเผาอยู่บนเชิงตะกอนข้าพเจ้าจึงพูดกับนางว่าดูก่อนอุบาสิกาท่านกําลังร้องไห้คร่ำครวญถึงใครอยู่ยหรือนางเงยหน้าอันชุมช่มโชกไปด้วยน้ำตาขึ้นมองดูข้าพเจ้าแล้วก็ตอบพลางสะอื้นพลางว่าดิฉันกําลังคร่ำครวญถึงลูกดิฉันมีลูกชายคนเดียวเขาก็มาด่วนจากไปเสียแล้วลูกเอ้ย เจ้าช่างไม่สงสารแม่บังเลยตอบข้าไปเจ้าเท่านั้นญิ้งฉลาดก็คร่ำครวญต่อไปด้วยเสียงอันดังยิ่งกว่าเดิมเข้าไปเจ้าปล่อยให้แกล้องให้จนเห็นแกเหนื่อยแล้วเบาลงแล้วจึงรีบแสดงธรรมปลอบโยนด้วยอุบายว่าดูก่อนอุบาสิกาอัตมาจะเล่าเรื่องประหลาดให้ฟังเรื่องหนึ่งถ้าท่านอยากจะฟังอัตมาเชื่อว่าเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้ว บางทีท่านจะสบายใจขึ้นบ้างนั่นก็บอกว่าถ้าคุณเจ้าจะเล่าอะไรก็เล่ามาเถิดหญิงแก่ตอบอย่างไม่ค่อยจะสนใจยังคงนั่งสะอืนมองดูกองไฟด้วยดวงตาอันชุ่มไปด้วยน้ำตาและช้าแดงเขาพเจ้าจึงเล่าเรื่องที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อวานนี้ขณะที่เดินทางไปถึงฝั่งแม่น้าคงคา อาตมาได้พบกับหญิงคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่บนฝั่งแม่น้ำคล้ายกับท่านกำลังร้องไห้อยู่เดี๋ยวนี้อาตมาได้ตรงเข้าไปถามนางว่าร้องไห้อยู่ทำไมนางก็ตอบว่านางได้มายืนอยู่ที่ริมฝั่งน้ำตั้งแต่เช้าพยายามห้ามปรามไม่ให้น้ำในแม่น้ำไหลไปทางใต้นางได้ปลอบโยนด้วยคำหวานบ้างขู่เข็นบ้างด่าทอบ้าง แต่น้ําก็ไม่ได้ฟังเสียงคงไหลไปไม่หยุดหย่อนตามหน้าที่ของมันนางเสียใจจึงร้องไห้ข้ามควรอยู่ดูก่อนอุบาสิกาถ้าท่านไปพบหญิงคนนั้นอย่างอัตมาท่านจะคิดว่าหญิงคนนั้นเป็นคนบ้าหรือเป็นคนดีหญิงแก่ตอบข้าพเจ้าว่าก็บ้าละสิพระกุณเจ้ามีอย่างที่ไหนแม่น้ำไหลของมันอยู่ปกติ จะไปห้ามให้มันหยุดไหลได้อย่างไรเมื่อห้ามมันไม่ฟังเสียงแล้วยังร้องไห้เสียใจก็โขนบ้าเราดีๆนี่เองเมื่ อ, อยายแก่เปิดช่องว่างให้เช่นนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มลุกทันทีถ้าหญิงคนนั้นบ้าท่านก็บ้าด้วยเหมือนกันเอ๊ะดิฉันจะบ้าได้อย่างไรหญิงแก่หันขวับมาถามด้วยความไม่พอใจทันทีเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโกรธ ฟังเหตุผลของอัตมาก่อนคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครสามารถห้ามความตายได้เพราะเป็นธรรมดาของสัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดกาลเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปตามธรรมดาของมันเหมือนกระแสน้ําในแม่น้ําคงคาที่ไหลไปไม่หยุดยั้งบุตรของท่าน เกิดมาแล้วก็ต้องตายไปตามธรรมดาของเขาท่านไม่อยากให้เขาตายเพราะความรักเขาท่านอยากให้เขาอยู่กับท่านตลอดไปแต่เมื่อเขาไม่อยู่กับท่านเขาตายจากไปท่านก็ร้องไห้คล่ำครวญเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่แปลกอะไรกับหญิงผู้ที่ห้ามแม่น้ำคงคาไม่ให้ไหลไม่สาเร็จแล้วก็มาเสียใจร้องไห้ฉะ น, นั้นอันตามาจึงกล่าวว่าท่านเขาบ้าเหมือนหญิงคนนั้น เหตุผลของข้าพเจ้าทำให้หญิงชลาหยุดร้องไห้แกนั่งก้มหน้านิ่งอย่างใช้ความคิดแต่ก็สะอื้นเป็นครั้งคราวดูก่อนอุบาสิกาข้าพเจ้ากล่าวต่อไปคนเราเป็นสัตว์มีเหตุผลจะทำอะไรลงไปควรคิดให้ดีใชก่อนว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่คนอื่นหรือไม่ถ้าเห็นว่าทำลงไปแล้ว ไร้ประโยชน์ก็ไม่ควรทําการร้องไห้คข่มขวนถึงบุตรที่ตายลงไปแล้วนั้นท่านได้ประโยชน์สุขอะไรบ้างอาตมาไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยถึงท่านจะร้องไห้จนน้ําตาเป็นสายเลือดบุตรของท่านก็ไม่กลับคืนมาไม่มีใครเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้ท่านเพราะการร้องไห้นี้ท่านตงเสียน้ําตาเสียกําลังใจเสียสุขภาพอนามัย การร้องให้คร่ำครวญมีแต่ทางเสียอย่างเดียวไม่มีทางได้เลยเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคนเราถ้าขืนทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์อยู่เช่นนี้จะชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลได้อย่างไรข้าแต่พระคุณเจ้าหญิงชลากล่าวขึ้นด้วยเสียงที่เริ่มแจ่มใสเป็นปกติคำพูดของท่านช่วยบรรเทาความสุขในใจของดิฉันลงได้มากทีเดียว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 ถ้าไม่รักเลยก็ไม่โศกเลยบุตรคนอื่นตายวันละหลายๆคนท่านก็รู้สึกเฉยๆเพราะท่านไม่มีความรักในเขาเหล่านั้นถ้าญาติห่างๆของท่านตายลงท่านจะโศกบ้างเพราะมีความรักในเขาบ้างเมื่อบุตรชายของท่านตายลงท่านโศกเศร้าที่สุดก็เพราะท่านรักเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนม่ให้ยึดถืออะไรมากเกินไป มิให้ถลำตัวเข้าไปรักจนหลงมิให้ตั้งความรักแน่วแน่ไว้ในทางสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเมื่อผิดหวังก็จะเกิดทุกข์ท่านจะตั้งความหวังลงไปก็ได้แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้สำหรับรเผชิญกับผลทั้งสองอย่างของมันคือความสมหวังและความผิดหวังงานทุกอย่างมีคติเป็นสองคือสาเร็จและล้มเหลวกีฬาทุกอย่างมีผลสองอย่าง คือแพ้กับชนะถ้ารักจะเล่นกีฬาต้องยินดีรับทั้งสองอย่างชีวิตนี้มีรสอยู่สองอย่างคือหวานกับขมเราต้องพร้อมที่จะรับทั้งสองอย่างไม่มีใครได้รับแต่รสหวานอย่างเดียวตลอดชีวิตหรือขมอย่างเดียวตลอดชาติต้องได้รับทั้งสองอย่างครุกเคล้าสลับกันไปต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นสภาพของความจริงข้อนี้ แล้เตรียมตนไว้ให้พร้อมผู้ไม่เตรียมตัวไว้เมื่อประสบรสหวานของชีวิตย่อมเป็นบ้าเพราะดีใจเมื่อประสบรสขมก็เป็นบ้าอีกเพราะเสียใจผู้เตรียมตัวไว้ย่อมยิ้มเสมอทั้งคราวทุกข์และคราวสุขทั้งในคราวสมหวังและผิดหวังใจของเขาเข้มแข็งมั่นคงดุดขุนเขาฮิมาลัยอันไม่รู้จักวันไหวเพราะลม อันโหมพัดมาจากทิศทั้งสี่ดูก่อนอุบาสิกาธรรมดาคนเราเมื่อรักกันก็ย่อมปรารถนาดีต่อกันเมื่อช่างกัน ก็ยอมมุ่งร้ายต่อกันท่านรักบุตรของท่านและปรารถนาดีต่อบุตรของท่านมิใช่หรือถูกแล้วพระกุณเจ้าดิฉันรักเขายิ่งกว่าตัวเองซิอีกถ้ามีวิธีใดที่จะทําให้เขามีความสุขได้ดิฉันจะทําจนสุดความสามารถทีเดียวแต่เวลานี้เขาได้ตายไปเสียแล้วดิฉันจะช่วยเขาได้อย่างไรดูก่อนอุบาสิกาบุตรของท่าน เมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ไปตามกุศลกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกห่วงแต่ตัวของเราเองนี่แหละในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีทาความดีไว้มากๆตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติเมื่อเทศนาสั่งสอนยิ้มชลาจนเวลาบ่ายคล้อยแล้วข้าพเจ้าก็ลาแก่ออกเดินทางต่อไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุคราวหนึ่งข้าพเจ้าไปพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านโกกีลาคกามแขว ง, รงกรุงราชคลือชาวบ้านเอื้อเฟื้อได้ช่วยกันสร้างกุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งให้ข้าพเจ้าที่เชิงเขาใกล้ลำธารข้างกุฏิก็เป็นเนินเขาสูงขึ้นไปข้างหน้ากุฏิมีสวนหินกว้างใหญ่ราบเรียบบริเวณรอบๆก็มีต้นทองกวาวใหญ่ ขึ้นแผ่กินก้านสาขาปกคลุมอยู่ข้างบนทําให้แผ่นหินรื่นรมน่าพักยิ่งนักถัดจากแผ่นหินลงไปเป็นลานดินกว้างพอประมาณที่ลานดินนี้มีกุฏิเล็กๆอีกหลังหนึ่งสำหรับเป็นที่อยู่ของอุบาสกคนหนึ่งที่ชาวบ้านจักไว้ให้คอยปฏิบัติข้าพเจ้าต่อจากนั้นก็เป็นก้อนหินสูงบ้างต่าบ้างเรียงรายลดหลั่นกันไป คล้ายกับบันไดธรรมชาติจนถึงลำธารที่ลำธารก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งโค่นลงด้วยลมพายุเมื่อนานมาแล้วนอนพาดขวางลำธารกลายเป็นสะพานธรรมชาติสำหรับข้ามไปบินทบาทในหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปประมาณห้าร้อยชั่วคันธนูบริเวณนั้นอุดมไปด้วยป่าไม้นานาชนิดตั้งแต่มแมลงตัวเล็กๆที่ร้องเสียงแหลมในยามค่าคืนจนกระทั่งไก่ป่า และนกกระทาซึ่งมาเที่ยวคุย้ยเคี่ยหาอาหารในบริเวณใกล้ๆโดยไม่ได้แสดงความหวาดกลัวผู้ที่มีจิตใจเปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมเลยข้าพเจ้าโปรยข้าวที่เหลือจากฉันไว้รอบๆปล่อยให้สัตว์เหล่านี้มาคุย้ยเคี่ยกินตามสบายในตอนกลางวันที่อยู่ของข้าพเจ้าก็เต็มไปได้วยชีวิตชีวาแต่ในยามราตรีก็เงียบสงั ด, ดุจป่าช้าแต่ถึงกระนั้นก็หาได้ทาให้ข้าพเจ้า รู้สึกเหนาไหมอุบาสกคนหนึ่งไก่ป่านกกระทาจักจันเรไรและพฤกษชาติอันร่มเย็นเพียงพอแล้วสำหรับให้ความอบอุ่นแก่ข้าพเจ้าในเวลานั้นชาวบ้านทุกคนเมื่อมาเห็นที่อยู่ของข้าพเจ้าต่างก็พากันออกปากชมว่าสงบสบายน่าอยู่ข้าพเจ้าตอบเขาว่าคุณเขาลำเนาไพรคือบ้านเดิมของมนุษย์ ได้กลับมาเห็นบ้านเดิมอีกจึงรู้สึกว่าน่าอยู่ในระหว่างกลางพรรษา น, นั่นเองเหตุการณ์อนาเร้าอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นตอนดึกสงัดของคืนวันหนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพิจารณาธรรมอยู่ที่ก้อนหินหน้ากุฏิข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นเปลวเพลิงลุกโชนช่วงขึ้นทั้งหมู่บ้านโกกีลาคามพร้อมด้วยเสียงโวยวายของชาวบ้านดังขึ้นข้าพเจ้าคิดในใจว่าคงจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านของใครคนหนึ่งเป็นแน่เพลิงลุกอยู่เป็นเวลาม า, านจึงสงบลง วันลุ่งขึ้นในบ้านได้มาหาข้าพเจ้าพร้อมด้วยน้ำตาแล้วรายงานว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคืนที่แล้วมาได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่เลือนของกระผมบ้านเลือนและทรัพย์สมบัติถูกเพลิงเผาผลาญไปจนหมดสิน้นกระผมกลายเป็นคนทุกขกตะเข็นใจไปเสียแล้วพระผู้เป็นเจ้าโปรดกระผมด้วยเถิดไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอก อาตมาจะช่วยอย่างเต็มความสามารถขอได้โปรดช่วยโดยแล้วด้วยมิฉะนั้นกระผมและบุตรภรรยาจะอดตายเสียก่อนนายบ้านกล่าวอย่างร้อนใจอาตมาจะลงมือช่วยเดี๋ยวนี้ทีเดียวแต่ขอให้อุบาสกสงบจิตใจลืมเรื่องไฟไหม้ไว้ชั่วคราวก่อนอุบาสกนายบ้านนั่งก้มหน้าหลับตาลงด้วยอาการสํารวมเป็นอันดีแล้ว ข้าพเจ้าก็ช่วยเขาด้วยธรรมโอสถดังนี้ดูก่อนอุบาสกจงตั้งใจให้สงบระงับแล้วคอยฟังเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังในระหว่างที่อาตมาเดินทางท่องเที่ยวมาโดยลำดับนั้นวันหนึ่งได้พักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปบิณฑบาตในบ้านตามวิสัยของสมณนะขณะที่เดินไปตามถนนก็สังเกตเห็นฝูงชน กำลังรุมดูอะไรกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่จึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูว่าได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอัตมาได้เห็นคนสองสาคนกำลังจับชายอีกคนหนึ่งดึงถูรูถูกกังออกมาจากโรงทรห ม, ม้อของในช่างหม้อชายคนที่ถูกดึงก็พยายามต่อสู้ดิ้นลนกลับไปในโรงทรห ม, ม้ออีกพลางส่งเสียงร้องว่าฉันไม่ไปฉันไม่ไปนี่โรงทำห ม, ม้อของฉัน ฉันจะไปทำไมฝ่ายคนทั้งหลายไม่ฟังเสียงพยายามผลักไสเขาให้ออกไปพร้อมกับร้องว่าเจ้าคนบ้าเจ้าคนบ้าได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดนั้นแล้วอัตมาจึงถามชายอีกคนหนึ่งว่าเรื่องอะไรกันลือเขาอธิบายให้ฟังว่าชายคนที่เขาดึงออกมานั้นเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนไม่ทราบเมื่อคืนที่แล้วได้ไปขออาศัยพัก บ้านของชัยช่างปั้นหม้อบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะออกเดินทางต่อไปขออาศัยคืนเดียวเท่านั้นนายช่างหม้อก็ยินดีจัดที่พักให้ด้วยอัธยาศัยไมยตรีหาของใช้จำเป็นต่างๆมาให้พอรุ่งขึ้นชายแปลกหน้าคนนั้นกลับทึกทักเอาว่าโรงทำหม้อและทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้นเป็นสม บ, บัติของตนไม่ยอมออกจากโรงหม้อ ชาวบ้านต่างคิดว่าเขาคงกลายเป็นบ้าไปเสีแล้วจึงช่วยกันฉุดเขาออกมาดังที่เห็นอยู่นี้ดูก่อนอุบาสกถ้าท่านไปพบเหตุการณ์เช่นนั้นเขา้าท่านจะคิดอย่างไรท่านจะคิดว่าชายคนนั้นเป็นบ้าหรือเป็นคนดีนายบ้านตอบอย่างเงื้องหงอยว่าเออชายคนนั้นก็ต้องเป็นบ้าแน่ๆเพราะไปเหมาเอาของของเขาเป็นของของตัวทั้งๆที่ตนไม่มีสิทธิ์เลย ถ้าชายคนนั้นบ้าคนทั่วไปก็บ้าด้วยอาตมาจะชี้แจงเหตุผลให้ฟังโลกนี้คือโรงงานของนายช่างปั้นหม้อคนทุกคนเป็นแต่ผู้ที่มาขออาศัยชั่วคราวในไม่ช้าก็ต้องจากไปเรามาอยู่ในโลกนี้ด้วยตัวเปล่าสมบัติชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวมาสมบัติต่างๆเช่นบ้านเรือนไรนาผ้าผ่อนเงินทอง เรามาหาเอาทีหลังเมื่อถึงคราวที่เราจะจากโลกนี้ไปเราต้องทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้เบื้องหลังจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็เอาไปด้วยไม่ได้ถ้าสมมติว่าทุกคนตายหมดทรัพย์สมบัติจะตกอยู่กับโลกนี้เองมันก็กลับคืนไปสู่โลกซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของมันเราทุกคนไม่ใช่เจ้าของเราเป็นผู้ขออาศัยอยู่ชั่วคราวในไม่ช้าก็ต้องตายจากไป ทิ้งสิ่งต่างๆไว้ให้กับผู้ที่อาศัยที่หลังใช้ต่อไปเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทรัพย์ของเราอยู่ที่ไหนของเราไม่มีแต่คนส่วนมากก็เข้าใจว่าบ้านของเราเงินของเราเสื้อผ้าของเราไร่นาก็ของเราติดอยู่กับวัตถุเหล่านี้ไม่อยากให้ตนพลากจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้พลากจากตนไปเมื่อเกิดการพัดพลากก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจ ร้องให้ลาพันธ์เช่นเดียวกับชายแปลกหน้าที่เข้าไปขอพักอยู่ในโรงงานของในช่างปั้นหม้อแล้วทึกทักเอาว่าเป็นของตนถูกเขาผลักใสให้ออกไปก็ไม่ยอมออกฉะนั้นอาตมาจึงได้ ก, กล่าวว่าคนส่วนมากก็บ้าเหมือนชายคนนั้น ดูก่อนอุบาสกอย่าเสียใจไปเลยที่ท่านต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติเพราะการถูกไฟไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเรายืมเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้นบัตรนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเรียกเอาของเขาคืนไปเราก็ควรคืนให้เขาไปด้วยความยินดีในเมื่อชีวิตร่างกายของเรายังมีอยู่หาเอาใหม่ฉะนั้นอย่าโศกเศร้าเสียใจ ทำใจให้เข้มแข็งไว้ในชีวิตท่านจะสร้างฐานะของท่านให้มั่นคงได้อย่างเดิมนายบ้านยังคงตรึกตรองอยู่เป็นเวลานา น, านพอสมควรจึงก้มลงกราบครับเจ้าแล้วกล่าวด้วยเสียงแจ่มใสกว่าเดิมว่าท่านผู้เจริญเทศนาของท่านให้ความสว่างแจ่มใสแก่จิตใจผมมากผมไม่เคยฟังเหตุผลเช่นนี้มาก่อนเลยคงเข้าใจว่าทรัพย์ทั้งหลาย เป็นของตนจริงๆแต่ที่แท้มันเป็นเพียงวัตถุธาตุที่เราขอยืมใช้ชั่วคราวในระหว่างที่มาอาศัยอยู่ในโลกของเราเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจเหตุผลข้อนี้แล้วทำให้ผมสบายใจขึ้นมากทีเดียวว่าแล้วก็ก้มลงกราบข้าพเจ้าด้วยความนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งดูก่อนอุบาสกคนสามัญทุกคนย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งโมหะ คือความหลงหรือความเข้าใจผิดไปจากความจริงความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เขากลับเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยึดถือว่าเป็นจริงเป็นจังตามความเข้าใจของตนนั้นเข้าใจผิดในเรื่องอะไรบ้างเข้าใจผิดในเรื่องทรัพย์ว่าทรัพย์เป็นของตนจริงๆ ท, ท, ทั้งๆที่รั์เป็นแต่เพียงวัตถุธาตุมีอยู่กับโรคเมื่อคิดว่ารั์เป็นของตนที่ติดอยู่ในรับทาชั่วเพราะซั์ แล้วก็เป็นทุกข์เพราะย์บางคนได้ยศแล้วก็หลงยศคิดว่ายศเป็นของจริงจังติดแน่นอยู่ในยศวุ่นวายเพราะยศทำชั่วก็เพราะยศแล้วก็ทุกข์เพราะยศนั้นตามความเป็นจริงยศถาบรรดาศักดิ์เป็นแต่เพียงสิ่งสมมติกันขึ้นไม่มีอยู่โดยตัวข้อมันเองนายช่างอาจจะเอาดินไปปั้นเป็นหม้อเป็นไหเป็นถ้วยชามเป็นตุ่มน้ําหรือรูปสัตว์อื่นๆ สิ่งอื่นๆอีกแต่ในที่สุดมันก็ลงเป็นดินนั่นเองคนเราเขาอาจจะสามารถสมมุติให้เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานเป็นนายบ้านเป็นทหารเป็นเสนาบดีเป็นพระราชาและอื่นๆอีกแต่ในที่สุดเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกับคนทั้งหลายในโลกที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันยศทั้งหลายเป็นแต่เพียงสมมติ ยศที่แท้จริงของทุกคนคือสัตว์โลกที่รักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์ถ้าคนเราคิดอยู่เสมอว่าคนเป็นเพียงสัตว์โลกคนหนึ่งเขาก็จะไม่หลงไหลกับจดภายนอกที่คนสมมติให้เขาจะไม่ฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมเขาจะเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วก็ทำแต่ความดีผลก็คือความสงบสุขก็เกิดมีขึ้น ในชุมนุมชนดูก่อนอุบาสกนอกจากทรัพย์และยศที่กล่าวแล้วคนเรายังหลงเข้าใจผิดในสิ่งอื่นๆ อ, อีกมากมายจนเจรัยไม่หวัดไหวแต่พอสรุปได้ว่า ผู้ใดมีสิ่งใดก็มักจะหลงไหลในสิ่งนั้นบ้วเมาอยู่กับสิ่งนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญในบ้านกล่าวสวนขึ้นเหตุผลของพระคุณเจ้าให้ความสว่างแก่กระผมมากทีเดียวกระผมยังหลงอะไรต่อมิอะไรอยู่อีกมากมายขอได้โปรดชี้แจงวิธีแก้ความหลงให้แก่กระผมด้วยดูก่อนอุบาสกวิธีความแก้ความหลงอาจจะทาได้ไม่ง่ายนัก เมื่อท่านรู้สึกตัวว่าเป็นผู้หลงแล้วเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะแก้ความหลงได้ดุดบุลุดหลงทางถ้ารู้ว่าตนหลงทางจะพบทางที่ถูกในไม่ช้าถ้าไม่รู้ว่าตนหลงทางเดินตามทางผิดเรื่อยไปจะไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางได้เลยท่านทราบแล้วว่าความหลงคือความไม่รู้ความจริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงก็เพราะว่ามีจิตใจที่มืดมัว เพราะมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ในจิตใจดุดน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงย่อมไม่แจ่มใสหรือดุดคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกเคืองในตามองอะไรก็ไม่เห็นถนัดก็เข้าใจว่าเชือกนั้นเป็นงูในตัวอย่างหลังนี้เชือกก็คือความจริงงูก็คือความไม่จริงทำอย่างไรเล่าจึงจะรู้ความจริงคำตอบก็คือว่าเราอาจจะทาได้สองวิธี วิธีหนึ่งโดยการศึกษาพิสูจน์สอบสวนสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นงูนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเอาไม้เขียเข่ยวๆดูบ้างเอาไม้สอดขึ้นบ้างถ้าเห็นว่ามันไม่กระดุกกระดิกเราก็จะเกิดความรู้ใหม่ว่างูตายธรรมดางูตายแล้วย่อมกลัดไครไม่ได้เมื่อรู้เช่นนี้เราก็จับมาพิสูจน์ด้วยมือรูปคลำสัมผัส ด, ดูให้ตลอดในที่สุด ความรู้สึกอันกระจ่างชัดก็เกิดขึ้นในใจนั่นก็คือเชือกเมื่อรู้ว่าเป็นเชือกเท่านั้นความหวาดกลัวความสงสัยลังเลก็จะหายไปอย่างปิดทิ้งวิธีที่สองโดยเอาผงออกจากตาซสก่อนเพราะว่าเมื่อผงออกจากตาแล้วความขัดเคืองในตาก็จะหายไปดวงตาจะแจ่มใสมองอะไรได้ชัดเจนตามความเป็นจริงเสมอวิธีนี้ดีกว่าวิธีแรก เพราะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุอันแท้จริงเมื่อตาจำสายแล้วจะเห็นอะไรกระจั่งชัดไปหมดไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดอีกวิธีแรกเป็นการแก้ที่ปลายเหตุจึงจะเข้าใจผิดในสิ่งอื่นได้อีกต้องพิสูจน์สอบสวนเสียอีกไม่มีเวลาสิ้นสุดได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าไม่ทําเสียเลยดูก่อนอุมาศกคนส่วนมากที่หลงอะไรต่างๆอยู่เวลานี้ ก็เพราะดวงตาคือจิตใจของเขาเต็มไปด้วยผงทําให้จิตใจขุนมัวมองอะไรเห็นไม่ถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็ทําผิดอีกพูดผิดไปด้วยผลที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเข้าใจผิดแล้วยังรู้ตัวว่าผิดไม่คิดจะพิสูจน์ความจริงแล้วก็เดินตามทางผิดเรื่อยไปผงที่ทําให้จิตใจขุนมัวคืออะไรท่านควรจะทราบลักษณะของจิตใจเสียก่อน จิตใจของคนเราในเวลาปกติจะมีลักษณะแจ่มใสเยือกเย็นสงบจะคิดอะไรก็ทะลุปลุกปรงเป็นความคิดที่ดีถ้าพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคำพูดที่ดีทำการงานอะไรก็เป็นการงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็เกิดขึ้นดูก่อนอุบาสก บ, บางเวลาความอยากได้ความกระหาย จะเข้ามาแทรกแสงจิตใจทําให้จิตใจกรวนกระวายคล้ายกับเสืออยู่ที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุ่นเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทรกจิตใจทําให้เจ็บปวดแสบประดุดถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความเศร้าโศกจะครองใจทําให้จิตใจหดหู่เงื่องหน่อยบางเวลาความกําหนัดยินดีจะเข้ามาครอบครองจิตใจทําให้จิตใจฮึกเหิมแต่มืดมัว ดุดช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความโกรธความลิษยาความกำหนัดความโศกเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้คือผงของจิตใจที่ทําให้จิตใจคุณมัวมองอะไรไม่ถนัดดุดกับคนที่ผงเข้าตาวิธีแก้ก็คือต้องมีสติตื่นตัวอย่าเผลอใช้สติเป็นยามคอยเฝ้าดูจิตใจของตนตรวจตราดูจิตใจเสมอว่าผ่องใส เป็นปกติหรือคุณมัวถ้าคุณมัวเพราะมีอะไรมาแทรกความโกรธหรือความเกลียดความโลภหรือความเบื่อหน่ายความริษยาหรือความรักเมื่อรู้ว่ามีอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งกําลังครองอยู่เช่นความโกรธก็ให้ตั้งสติไว้ให้มั่นคงอย่าเผลอติดตามความเคลื่อนไหวของมันอยู่ทุกระยะว่าความโกรธนั้นขึ้นมาถึงระดับไหนแล้วโกรธน้อย เพียงงุดหงิดงุนงานหรือว่าเดือดพล่านเต็มที่ให้ขมใจไว้อย่าให้ได้คิดเพราะถ้าใจเต็มไปด้วยความโกรธย่อมคิดชั่วข่มปากไว้อย่าให้ปากพูดถ้าปากพูดในขณะกำลังโกรธคาพูดจะเป็นคาพูดชั่วข่มแข้งขามือเท้าไว้อย่าให้ทำงานถ้าทำงานก็จะเป็นงานชั่วและที่ตามมาด้วยความทุกข์ความเสียหาย ถ้ามีสติรู้ตัวอย่างนี้ในไม่ช้าความโกรธก็จะระงับลงไปเองใจก็จะกลับผ่องใสตามเดิมต่อจากนั้นจะคิดจะทำจะพูดอะไรก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีผลเสียหายก็จะไม่มีเลย อุบาสกอารมณ์ชนิดอื่นๆเช่นความโลภความนิสยาเป็นต้นก็อาจจะระนับลงได้ด้วยวิธีนี้เหมือนกันคนส่วนมากขาดสติยับยั้งใจเมื่อความโกรธเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันลุกลามต่อไปได้ตามสบายใจตั้งแต่ใจจนกระทั่งถึงกายใจที่มีความโกรธครอบงำจะเดือดพล่านและมืดมิดไม่เห็นเหตุผลใดๆทั้งสิ้น กลายเป็นใจยักษ์ใจมานใจเช่นนี้จะสั่งให้ปากด่าทอสั่งให้กายทุบตีต่อยฆ่ายังทารุณบางทีฆ่าได้แม้กระทั่งบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าวของตนบางครั้งก็ทําลายพัสดุสิ่งของอันมีค่าที่ตนเคยหวงแหนเมื่อความโกรธ ส, สงบลงได้เมื่อเหตุผลกลับคืนมาแล้วนั่นแหละเขาจะเสียอกเสียใจอย่างใหญ่หลวง ถึงเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะได้สายไปเสียแล้วนี่คือโทษของการขาดสติยับยั้งจะก่อทุกข์โทษให้แก่กันไม่น้อยกว่าความโกรธเลยดูก่อนอุบาสกเมื่อท่นานทราบเช่นนี้แล้วจงหมั่นตรวจตราจิตใจอยู่เสมอมีสติยับยั้งใจในเมื่อมีอารมณ์ต่างๆแทรกเข้าไปพยายามรักษาจิตใจให้อยู่ในสภาพอันผ่องใส แล้วท่านจะสบายใจไปตลอดกาลข้าพเจ้าได้เทศนาสอนนบ้านให้มีจิตใจผ่องใสหายโศกเศร้าแล้วก็หม่มกีวรเข้าไปในบ้านพร้อมด้วยนายบ้านภาพที่ได้เห็นเมื่อมันถึงหมู่บ้านก็พบเรือนของนายบ้านที่กลายไปเป็นเท่าฐานแล้วลูกเมียของนายบ้านกำลังนั่งร้องไห้มองดูกรองเท่าฐานอยู่ใต้ร่มไม้ข้างๆ มีชาวบ้านมาดูเหตุการณ์และแสดงความเสียใจกับนายบ้านมากมายนายชายลูกบ้านคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจยิ่งในเคราะห์กรรมของท่านแต่จะทําอย่างไรได้เอาเถอะท่านไม่ต้องวิตกพวกข้าพเจ้ายินดีจะช่วยเหลือท่านขอบใจท่านที่หวังดีต่อเรานายบ้านหันไปกล่าวกับเขาด้วยเสียงปกติและพูดต่อไปว่า เราไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจเพราะมันเป็นธรรมดาบ้านนี้ไม่ใช่ของเราผ้าผ่อนเงินทองทรัพย์สมบัติทุกชิ้นที่ถูกเผาไหม้ไปกับบ้านนี้ก็ไม่ใช่ของเราเรายืมโลกเขาไว้ใช้ชั่วคราวในระหว่างที่เรามาพักอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเจ้าของเดิมเขาก็คือแผ่นดินเขาต้องการเอาของเขาคืนเขาจึงใช้ไฟมาทวงเอาเราก็คืนเขาไปแล้วจะไปเสีย อ, อกเสียใจทาไมชีวิตเรายังอยู่ หาเอาใหม่เท่านั้นเองคำพูดอันน่าฟังของนายบ้านทำให้ฝูงชนที่มาดูเหตุการ์ตกตะลึงไปทีเดียวข้าแต่นายบ้านท่านพูดน่าฟังจับใจเหลือเกินลูกบ้านคนหนึ่งกล่าวทำลายความเงียบขึ้นเออมันไม่ใช่คำพูดของเราหรอกเป็นคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายองค์นี้นายบ้านพูดพลางชี้มือมาทางข้าพเจ้า มันไม่ใช่คำพูดของอาตมาหรอกแต่เป็นคำพูดของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ตัดสุ้ความจริงธรรมดาของความจริงย่อมน่าฟังเสมอข้าพเจ้าเดเทศนาชักชวนให้เจ้าบ้านให้อยู่ในสามัคคีธรรมพอสมควรแล้วก็กลับสู่ที่พัก ดูก่อนท่านผู้มีอายุตลอดเวลาสามเดือนที่หมู่บ้านโกกีลาคามข้าพเจ้าได้ประสบกับเหตุการณ์เป็นอันมากแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆประกอบด้วยครอบครัวไม่เกินร้อยแต่เต็มไปด้วยคนเจ้าความคิดมีชายแก่อายุประมาณ60สปีที่หมู่บ้านคนหนึ่งชื่อกุมภะกะในวัยหนุ่มเคยไปอยู่กลุ่มราชคลึนครแห่งศาสตราจารย์เจ้ารัฐิหลายปี ภายหลังได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้านนี้ะกุมภะได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากชาวบ้านเพราะความปราดเปรื่องของเขาะกุมภะเป็นผู้นำทางจิตใจของชาวบ้านเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้ได้อยู่ประจำตลอดสามเดือนแห่งวัสการเขาได้กลายเป็นคู่สนทนาที่น่ากลัวของข้าพเจ้าทันทีพร้อมด้วยหลานชายเล็กๆคนหนึ่งชอบไปหาข้าพเจ้า แทบทุกเวลาบ่ายแล้วสนทนาในปัญหาทางธรรมะจนกระทั่งเย็นถึงได้ลากลับบ้านในตอนแรกๆที่ข้าพเจ้าไปถึงกุมภกะแสดงอาการดูถูกเยียดยามอย่างเห็นได้ชัดเพราะธรรมดาคนแก่ที่เปลืองปลาดเมื่อเห็นคนหนุ่มคราวลูกค้าวหลานเช่นข้าพเจ้าเข้าก็ย่อมจะคิดตีราคาต่ำไว้ก่อนแต่หลังจากที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าต่อมาเป็นเวลาราวครึ่งเดือน เขาก็เกิดความรักและเขรพอย่างจริงใจทั้งนี้ม่ใช่เพราะว่าข้าพเจ้าได้ใช้เล่เหลี่ยมกุศโลบายอะไรต่อเขาเพราะข้าพเจ้าพูดความจริงตามแนวพุทธธรรมกับเขาเท่านั้นเองความจริงความถูกต้องมีอยู่แต่คนไม่เข้าใจความจริงจึงเถียงกันข้าพเจ้าไม่เถียงกุมภกะข้าพเจ้าไม่ส่งเสริมกุมภกะเพราะการเถียงและการคัดค้าน เกิดจากการถือทิฏฐิมานะข้าพเจ้าไม่ส่งเสริมเขาเพราะความส่งเสริมเกิดจากความกลัวแต่ข้าพเจ้าพูดไปตามความเป็นจริงนี่คือหลักในการสนทนาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงหวางไว้ชายชลากุมภ ะ, ะเริ่มสนทนากับข้าพเจ้าในบ่ายวันหนึ่งว่าพระคุณเจ้าการฆ่าสัตว์นั้นะเป็นบาปไหมคําถามของเขาทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจ เพราะไม่น่าจะถามคำถามง่ายๆเช่นนั้นการฆ่าสัตว์ใครๆก็ยอมรับว่าเป็นบาป ท, ทั้งสิ้นแต่บางทีอาจจะเป็นหลุมพางทําให้ข้าพเจ้าไปตกก็เป็นได้เพราะกุมภ ะ, ะเลี่ยมจัดมากคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกลา้าประคารลมกับเขาได้เลยแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตอบไปตามหลักว่าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปแน่ๆทาไมลึกกุมภะ ก, ะก็ถามต่อว่า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 ทำไมจะไม่บาปชายแก่ยิ้มอย่างได้ทีแล้วกล่าวอย่างคืมขังว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ทำบาปทุกวันนะสิขาพเจ้าถามอย่างไม่เข้าใจว่าอาตมาทำบาปได้อย่างไรลรือ